เรื่องรากแก้วของพระพุทธศาสนาบทธรรมเทศนาเรื่องศีลของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านแสดงเป็นอนเนกปริยายผู้เล่าจะนำมาเล่าพอได้ใจความศีลเป็นฐานรองรับสมาธิปัญญาวีมุตเมื่อท่านอธิบายเรื่องศีล จะต้องสัมพันธ์เข้ากับอุปสัมบทาวิธีเสมอเพราะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงมีความว่าผู้จะนำกุลบุตรเข้ามาสู่พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้พระอุปชาจะสอนกุลบุตรนั้นก่อนว่าเธอได้นำตนเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี้เบื้องต้นจงตั้งศรัทธาคือความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก่อนเพราะพระรัตนตรัยเป็นพื้นฐานนั้นมั่นคงในพระพุทธศาสนาหากพื้นฐานตั้งมั่นดีแล้วความจเจริญย่อมเกิดแก่เธอผู้เชื่อและเลื่อมใสในพระคุณนั้นๆพระรัตนตรัยทั้งสามนั้นคือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งที่เรียกว่ารัตนนั้น แปล ว, ว่าแก้วอันประเสริฐเปรียบเหมือนแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิราชแต่แก้วสามดวงในพระพุทธศาสนานี้ดนบันดาลให้เกิดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมักผลธรรมวิเศษนิพพานยิ่งกว่ารัตนะจกาพัตติราชอีกเพราไตรสรณะทั้งสามนี้ เป็นไปเพื่อความสิ้นทุก์สิ้นพบสิ้นชาติส่วนสกรัติรัตนานั้นเป็นไปเพื่อทุกในวัฏฏะมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมสวยวิบากต่อไปหมุนเวียนเป็นวัฏจักรหาที่สุดมิได้อันพระคุณของพระพุทธเจ้านี้มีมากไปอนันตนันรวมลงเป็นพระพุทธคุณ9ก้าประการ แล้วรวมลงเป็นสามโดยย่อคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนั้นทรงตรัสรู้ในอริยสัจสี่รู้ตลอดทั้งภพนี้ภพที่เป็นไปในเบื้องหน้ารู้ภพและภูมิทั้งสามพระบริสุทธิ์ที่คุนนั้น ในพระหารุไทยของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวงพระมหาการุณาธิคุณนั้นทรงมีความเมตตาการุณาสงสารสัตว์โลกกิดจะช่วยให้สัตว์โลกนั้นพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารเมื่อกุลบุตรผู้หวังบวชอุทิศอกถวายแด่พระพุทธศาสนา จงน้อมนำพระคุณนี้มาเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตส่วนพระธรรมคุณคือธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยพระคุณหกประการรวมลงในศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอันจะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นคุณธรรมอันวิเศษจงน้อมเข้ามาสู่ใจ ยึดมั่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกเสมอด้วยชีวิตประสังฆ ค, คุณคือคุณแห่งพระสงฆ์นั้นประกอบด้วยสังฆ ค, คุณเก้าประการหมายถึงพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดในอดีตมีปัญจวัคคีย์พระยศะศพร้อมด้วยสหายเป็นต้นสืบทอดพระพุทธศาสนาต่ อ, ตอมา จนถึงยุคปัจจุบันท่านเหล่านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเล้วสอนผู้อื่นให้พระพฤติตามด้วยนี้เป็นคุณของพระสงฆ์ฉะนั้นผู้บวชอุทิศอกเพื่อพระพุทธศาสนาจงตั้งศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสน้อมนำพระคุณของพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเสมอด้วยชีวิต